ไม่ได้ก่อสร้างให้เกิดมีปัญญาเลยยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งปลื้มใจยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งเศ้าใจยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งเสียใจยิ่งคิดเท่าไหร่ย่งทาให้เรานิ่หนักใจลงไปเรื่อยๆบุ่นวายวาวุ่นไปเรื่อยความคิดอันนี้เป็นความคิดที่มีพิษมีภัยต่อจิตต่อใจของพวกเราเหตุนั้นเมื่อเราต้องการอยากให้จิตใจของเรามั่นคง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 เราต้องรูจ้จักระรู้จักวางแต่เลิกละวางได้ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องเจริญสติให้รู้เท่าเอาทันไม่ว่าความเคลื่อนไหวทางจิตใจจะมาในประเทศไหนกรณีใดจะมาในทางดีทางร้ายใดๆก็แล้วแต่มาในทางบาปทางบุญใดๆก็แล้วแต่ในช่วง น, นี้เราต้องหยุดไปอด่อดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บุญไม่ต้องหไม่ต้องกลัว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 ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้แล้วเราสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองแล้วใจของเรามันตกอยู่ในความเป็นบาปเป็นกรรมแล้วคําว่าบาปคือความทุกข์นะคนเราถ้าไม่สงบมันก็ทุกข์เท่านั้นนะอะความทุกข์นําเปียบเป็นเป็นตัวบาปเป็นมโนโกรรมทางใจของเราเราคิดไม่ดีมันเป็นบาปเพระบาปเกิดขึ้นมันก็ไม่สงบแล้วใครจะมาแก้บาปให้เราใครจะมาทําบุญให้เรา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 อยากใจตัวมีอยู่อย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยฮะเมื่อเราทำได้ที่นี่ไปที่อื่นล้วก็ทำได้เนี่ยนักปฏิบัติบางทีก็โอ้ไปบ้านมันุนบ้านวุ่นวายไปวัดดีกว่าอย่าลืมนะท่านทั้งหลายท่านสังเกตดูเถอะความวุ่นวายมีอยู่ทุกสถานที่มีอยู่ทุกสถานที่แต่ความสงบนั้นก็มีอยู่ทุกสถานที่เมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเราถือว่าเราไปบางทาง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 เวลาเราพลิกมาใจมาทางนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อจะไปรู้ความเปลี่ยนแปลงงมันเมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆล้วก็ต้องพิกมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปติดใจในสิ่งที่เราพริกมาไม่ได้ท่จะโอ้ยางนี้เขายังชั่วหน่อยแม่มือนี้เกลือเป็ดเลยมื่อนี้กระดูกรันพุ้อพุแล้วพริกมาก็ยังชั่วหน่อยไม่ใช่ดีใจพอใจแล้วไปอีกแล้วความสงบหายแ๊บไปแล้วหายเงียบไปอีกแล้ว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 ไม่มีอะไรเป็นของเรานี่พระพุทธเจ้าเห็นกฎของเขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตายกขึ้นมาพิจารณาดูเถจะเอาอนิจจังก็ได้ถ้าเอานิจจังก็ตัดสักยะทิฐิได้ไวจะไม่เห็นว่าเป็นกายของเราไม่เห็นว่าเป็นายของเราได้ละสักยะทิฏฐิไปที่เราเคยหลงว่าเออเป็นกายของเราอย่างนั้นอย่างนี้ลองเรายกจิตขึ้นมาสู่อนิจจังดูเถอะใจรักตะนัยามเกิดขึ้นให้เห็นเป็นอนิจจัง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 ไม่มีใครสามารถจะอุปมาประมายได้เหมือนกับนักปราชญ์ท่านบอกว่าเราจะเอาทองฟ้ามาเป็นกระดาษเอาน้ามหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเอาเขาพระสมเมนมาเป็นปากกามาจดจารึกพรรณนาคุณพ่อคุณแม่ของเราจนกว่าแม่น้ามหาสมุทรจะหมดแล้วก็ยังพรรณนาไม่จบไม่สิ้น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 ไม่มีชาติไหนจะดีเท่ากับชาตินี้ไม่มีเวลาไหนจะดีเท่ากับเวลานี้เวล า, น, ว า, วล า, านี้ดีกว่าทุกเวลาชาตินี้ดีกว่าทุกครบชาติเราจะทำก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เวลานี้ชาตินี้ไม่ต้องไปรอบาผัดวันประกันพรุ่งอ่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ดีนะพระพุทธเจ้าสัดไว้แล้วไม่ดีเลยวันพรุ่งนี้ค่อยทานะแต่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ทาโอ้วันต่อไปค่อยทำนะ